พระงดฉัน15บห้องค์วันนี้บางตาวันนี้ลงมาฉัน21รูปเมื่อวานหลวงพ่อพอฉันจังหันเสร็จแล้วก็ออกไปทำธุระไปที่ไปดูงานโรงพยาบาลก่อนอันดับแรกว่างานสร้างอาคารสำหรับ ผู้ที่เยี่ยมไข้ญาติของผู้เยี่ยมป่วยเยี่ยมไข้ของโรงพยาบาลไปถึงไหนแล้วไปเขรู้สึกว่างานไปได้ดีไปเห็นแล้วก็เออเป็นที่พอใจแต่ก็งานดูๆแล้วก็ประมาณ 80% เปรซประมาณ 70% สซยังอีกประมาณ 30% กองจะเสร็จพออยังดูๆแล้วก็ มันเหมือนกับยังน้อยแต่ก็งานละเอียดที่จะต้องทำงานและยังมากอยู่อย่างนั้นก็พอบ่ายโมงก็ขึ้นไปอบรมแล้วไปแสดงธรรมให้ข้าราชการที่เขามาเขามารับราชการใหม่เป็นหมอเป็นพยาบาลแล้วก็เป็นพนักงาน ที่ทางโรงพยาบาลเขาสมัครรับเข้าไปทํางานเมื่อวานนี่แล้วก็มีเสื้อสีสุนพูเรียกว่าจิตอาสาว่าเสื้อจิตอาสาแต่และหน่วยงานก็มีหลายกลุ่มหลวงพ่อเป็นโคดมอบเมื่อวานนี่พอมอบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็หลวงพ่อาถามว่าข่าวก่อนหลวงพ่อมอบประมาณสามร้อย 300คนแต่ข่าวนี้อีกมอบอีกประมาณพันแต่ว่าพันหนึ่งไม่ใช่มอบทุกคนนะคล้ายๆว่าเป็นหัวหน้าให้หัวหน้ามารับแต่ละหน่วยหลวงพ่อก็มอบให้ให้หัวหน้าแต่ละหน่วยละหน่วยละหน่วยเพื่อให้ไปแจกลูกน้องตัวเองแหมว่าจิตอาสาคํานี้คล้ายๆว่าหน่วยงานแต่ละหน่วยงานหน่วยงานงามปั๊บปาหน่วยงานไฟฟ้าที่ดูแลหน่วยงานหน่วยงานแอร์หน่วยงานช่าง หน่วยงานพยาบาล อ, อะไรหลายๆอย่างในนัน้แต่ละหน่วยงานเขาคัดเลือกกันให้เขาคัดเลือกว่าใครจะเป็นกิจอาสาเสียสละเพื่อชุมชนสังคมตอนนี้เขาก็เลือกกันพอเลือกกันเขาก็จะให้เสื้อลงคะแนน ก, นกันก่อนนะก่อนที่จะได้นะเขาให้คะแนนกันก่อนพอได้คะแนนกันแล้วก็ เขาก็เอาใส่เสื้อตัวนี้ให้เพราะนั้นพวกเราพี่น้องประชาชนาพวกที่เขาไปติดต่อโรงพยาบาลน่ให้เราเดินเข้าไปหาพวกน่ะพวกพวกที่มีเสื้อจิตอาสาเนี่ยเขาไปจับมือเขาเลยก็บอกว่าเนี่ยได้ฉันผมมาโรงพยาบาลคราวนี้ มีจุดประสงค์พ่อแม่เจ็บไข้ได้ป่วยหรืออะไรลักษณะอย่างนั้นอ่ะขอช่วยเหลือผมอย่างไงหรือว่าไม่ได้รับความช่วยเหลืออย่างไงอันนี้เราก็ไปจับมือพวกนี้แหละพวกนี้ก็จะมองดูหาวิธีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะจิตอาสาเมื่อวานน่แนะแต่หลวงพ่อก็ได้ไป เรก็ด้มนสแสดงธรรมหลวงพ่อก็ได้พูดได้เทศสแสดงธรรมให้กับพวกกลุ่มทั้งหมอทั้งพยาบาลทั้งปกกิอาสาหลวงพ่อบอกว่าให้พวกเราสำนึกในใจอย่างตะก่อนหลวงพ่อเองก็ไม่เคยได้ยินเรื่องสาบานตน เมื่อเข้ามารับหน้าที่ปฏิ ญ, ญาณตนในเมื่อเข้ามารับหน้าที่เห็นแต่ตำรวจทหารแต่บัดนี้หลวงพ่อมาเห็นพวกข้าราชการในโรงพยาบาลปฏิ ญ, ญาณตนทั้งหมดมีอยู่ห้าข้อนะหลวงพ่อฟังดูแล้วก็เออถ้าปฏิบัติได้อย่างปฏิ ญ, ญาณตนนี่ก็จะเป็นคนดีสรุปแล้วก็คือให้มีความซื่อสัตย์สื่อจริตต่อหน้าที่ ลักษณะอย่างนั้นอ่ะจากนั้นหลวงพ่อก็พอปฏิ ญ, ญาณตนเสร็จเรียบร้อยแล้วหลวงพ่อก็เป็นองค์แสดงธรรมหลวงพ่อเออที่ได้ยินลูกหลานปฏิป ญ, ญาณตนรับหน้าที่หลวงพ่อได้ยินแล้วก็ถ้าหาว่าปฏิบัติได้อย่างที่คําพูดออกไปนี่หลวงพ่อว่ า, าความสงบร่มเย็นเป็นสุขก็จะเกิดขึ้นในชุมชนของพวกเรา ให้พวกเราสำนึกไว้อยู่เสมอว่าเงินที่เราได้รับทุกเดือนเป็นเงินของใครเป็นเงินภาษีพี่น้องประชาชนที่ว่าจ้างหรือว่าจ้างเราเรานาทำหน้าที่งานเหมาะสมหรือยังถูกต้องหรือยังคุ้มค่าของเงินเขาหรือยังอันนี้ก็ให้พวกเราคิดๆแล้วก็พร้อมกัน ตั้งแต่เราเรียนหนังสือมาโรงเรียนเป็นเงินของใครเป็นเงินภาษีพี่น้องประชาชนเป็นผู้สร้างขึ้นทุกอย่างในโรงเรียนเป็นเงินภาษีทั้งนั้นและก็ครูโรงเรียนเป็นเงินของใครเป็นผู้ว่าจ้างเป็นเงินพ่อแม่เราไม่ใช่คือส่วนหนึ่งนิดหน่อยแต่ก็เป็นเงินภาษีพี่น้องประชาชน ว่าจ้างครูโรงเรียนมาสอนเราคือเงินภาษีจนถึงเราจบได้ทำงานถึงขนาดนี้หละเราเรียนมากี่ปีอยู่ในโรงเรียนไหนบ้างครูโรงเรียนกี่คนที่มาสอนเราใช้เวลานานเท่าไหร่เงินภาษีพี่น้องประชาชนที่ว่าจ้างหรือใช้จ่ายนะ่ะหมดไปเท่าไหร่อันนี้พวกเราคิดย้อนหลังดูซิ แล้วเงินภาษีพี่น้องประชาชนเหล่านั้นมาจากไหนมาจากใครก็คือมาจากพี่น้องประชาชนเงินภาษีในเมื่อเรามาทำหน้าที่เป็นแพทย์เป็นพยาบาลอ่าเป็นพนักงานไหนก็ตามในโรงพยาบาลถ้าเราเห็นพี่น้องประชาชนอันนี้เราก็ต้องคิดว่าเออเ น, นี่คือทาติเป็นผู้มีอุปกระคุณกับเราเพราะเราก่อนที่จะได้ มาทํามหารเลี้ยงชีพยอย่างนี้ก็เพราะว่าเป็นเงินของพวกท่านเหล่านั้นสนับสนุนมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นเมื่อเราไปทํางานณสถานที่แห่งใดเราควรจะช่วยเหลือชุมชนสังคมตรงไหนได้เราก็ควรจะช่วยเหลือชุมชนสังคมนั้นนี่ยหลวงพ่อพูดอย่างนั้นอย่างหลวงพ่อก็เหมือนกันอย่างหลวงพ่อเป็นพระในพระพุทธศาสนาตอนเช้ามาหลวงพ่อกับไปบิณทบาท ก็ไม่ได้ซื้อได้หาตามศรัทธาญาติโยมเป็นพุทธบริษัททำบุญตักบาทในเมื่อทำบุญตักบาทมาแล้วหลวงพ่อก็มาฉันอาหารจากนั้นนะลุงพ่อก็ให้ศีลให้พรบุญกุศลที่เราได้บำเพ็ญมาบุญกุศลทั้งหลายก็ให้เกื้อกูลหนุนพี่น้องประชาชนลูกหลาน ผู้ให้การสนับถนนทำบุญทำทานไว้ในพระพุทธศาสนาให้เจริญยิ่ง้วยอายุวันณนะสุขะภาละลาบยศสนะเสริญสุขให้มีความสุขกายสุขใจอันนี้ก็คือพระสงฆ์เมื่อได้ฉันอาหารจากพี่น้องประชาชนมาแล้วก็ต้องมีน้ำใจมีเมตตาแล้วก็ อ, อ, อุเทศอุเทศหรือว่าสำนึกแล้วก็มอบ บนกุศลให้กับพี่น้องประชาชนศรัท ธ, ธาญาติโยมอันนี้ก็คือหน้าที่ของพระสงฆ์เป็นหน้าที่ของข้าราชการก็เหมือนกันควรจะสานึกในพระคุณเหล่านั้นถึงจะเราจะเป็นข้าราชการผู้น้อยต่อไปมันก็ไต่เต้าสูงใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆเงินเดือนก็นจะสูงขึ้นไปเรื่อยๆธรรมดาทำงานใหม่ ต้องมีเงินเดือนน้อยเป็นธรรมดา น, นี่คืออย่างน้อยอยู่แต่พอช า, านาญการขึ้นไปแล้วก็เงินเดือนก็สูงขึ้นไปเรื่อยๆนี่แหละอันนี้ก็คือให้พวกเราลูกหลานทั้งหลายสํำนึกในพระคุณของการของงานแต่ถึงยังไงเราเป็นข้าราชการ ยังไงก็ได้เปรียบกว่าพี่น้องประชาชนหลายหลายหลายๆก้าวเพราะเหตุใดเพราะว่าเราได้ทำงานแล้วข้าเจ็บไข้ได้ป่ยวยเราก็ฟรีลูกของเราที่เรียนหนังสือก็ฟรีพ่อแม่ของเราที่เจ็บไข้ได้ป่วยเข้าโรงพยาบาลเบิกได้อีกฟรีแต่พี่น้องประชาชนชาวบ้านเขาละ่ะมีแต่บัตร บัตรทองแล้วก็บัตรธรรมดาดูแลรักษาก็แปลว่าปลายแถวสรุปแล้วก็คือเบิกอะไรก็ไม่ได้ค่าเราเรียนก็ไม่ได้อันนี้เราได้เปรียบเขามากมายนี่แหละอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งเราทำงานราชการก็ควรจะตั้งอกตั้งใจทำการทำงานให้ดีที่สุดแต่ถ้าเราคิดว่า ทำงานข้าราชการไม่ดีก็ไม่มีใครขอร้องให้เราอยู่แต่เราไม่ดีก็เอาเลิกออกไปคนที่อยากจะเข้ามามีตั้งเยอะแยะไปอีก อ, อยากจะเข้ามาแทนที่เรามีมากมายแต่เมื่อเราอยู่หน้าที่นี้ถ้าเราคิดว่าไม่ดีไม่มีเงินเงินไม่พ อ, เ, อเราออกไปทำมาค้าขายซะ ก็ไม่มีใครห้ามเราหรเอามาบวชนะอย่างนี้ก็ได้เป็นอะไรไปแต่เมื่อเราอยู่อย่างงั้นเราก็ต้องทําหน้าที่ให้ดีที่สดุดคิดดีทดําดีพูดดีไม่ใช่ว่าจะเป็นโจโรเขโจโรเขคขวางคองขวางอยู่อย่างนั้นแต่ก็อกไม่ดีก็ยังอยู่ทูซีอยู่ดันทุลังอยู่สิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ว่าเรา เราขาดความสำนึกในหน้าที่การงานขาดความสำนึกในการเป็นอยู่ของตนขาดความสำนึกในการที่เป็นพ ล, ลเมืองของประเทศชาติถ้าเรามีความสำนึกในทางที่ดีคิดดีทำดีพูดดีแล้วประเทศชาติบ้านเมืองของเราก็จะไปในทางที่ดีไปในทางสงบ ร่มเย็งเป็นสุขอันไหนคือสิ่งที่เราจะได้อันไหนไม่ควรจะได้ไม่ควรจะได้ก็คืออย่างที่ไปโคดไปโกงไปเบียดไปบังนะที่มีเรื่องมีราวแต่ละยุคแต่ละสมัยคล้ายเข้ามาขอรับชงคอลับชั่นมีมากเหลือเกินคอลับชันขอรับชับ น, เ, น, น, นเชิงวิชาการขอลับชันหน้าที่การงาน ขอรับชั่นเรื่องเงินเงินเดือนขอรับชั่นเงินค่ารับเหมาขอสร้างมันมีเยอะนะถ้าจะละว่าไปแล้วเกินมากมายขอรับชั่นจุดนี้แต่เราจะขอรับชั่นตรงไหนจุดไรไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวของเราแต่ละท่านแต่ละคนเองเพราะนั้นให้เราซื่อสัตย์ต่อตนเองซื่อสัตย์ต่อประเทศชาติ ชื่อสัตว์ตอนหน้าที่การงานเนี่ยถ้าทำได้อย่างนั้นมีแต่ความล่มเย็นเป็นศขอยู่นัสถานที่ใดเนี่ยราหลวงพ่อก็ได้พูดใหแนวแนวความคิดเงื่อวานเนี่ยแหละถ้าหาว่าตามไม่จริงถ้าจะว่าไปแล้วคือกล่าวมาทั้งหมดคือหมวดสินสินและวินัยหรือกฎหมายแห่งการอยู่ด้วยกันต้องอยู่ ด้วยกฎระเบียบถ้าว่าไม่มีกฎไม่มีระเบียบอยู่ด้วยกันต่างคนก็ต่างอยู่ต่างคนก็ต่างคาดเป็นบุคคลสําคัญคาดนี่ไม่ฟังใครไม่ยอมใครถ้าต่างคนต่างคิดอย่างนั้นคือมาแล้วกันนะคอเท่าคอนไม้เท่าไม้โบราณท่านบอกผลที่สุดก็น่ะแตกกระจุยกระจาย หาความสงบพร่มเย็นเป็นสุขไม่ได้แต่ถ้าพระสงฆ์ก็เหมือนกันถ้าอยู่ถ้าไม่อยู่ในวินยัยถ้าไม่อยู่ในกฎระเบียบแล้วพระสงฆ์ก็อยู่ด้วยกันไม่ได้อีกเหมือนกันไม่มีผู้น้อยไม่มีผู้ใหญ่ไม่มีสิ่งที่สัมมาคารวะอันนี้ก็คือพระสงฆ์ไม่มีวินยัยสินและวิใน ย, ยังมีอยู่ตราบใดศาสนาของตถาคตก็ยังอยู่ตราบนั้น เมื่อเราผ่านไปแล้วเมื่อเราผริิพานไปแล้วหรือเมื่อเราตายไปแล้วธรรมและวินัยนั่นแหละจะเป็นศาสน า, า, า, าของพวกท่านทั้งหลายอันนี้พระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสไว้อย่างนั้นเพราะนั้นเรื่องธรรมและวินยัยพระพุทธเจ้าถือว่าเป็นสิ่งจําเป็นจาคัญเป็นตัวแทนและว่าเป็นหลักของพระพุทธศาสน า, ศาประเทศชาติของเราก็เหมือนกันถ้าประเทศชาติของเรามีกฎหมาย เคารพกฎหมายกติกาเข้มแข็งคนในชาติถึงจะไม่พอใจในกฎหมายแต่ถึงยังไงก็ต้องถ้ามีกฎหมายแล้วก็ต่างคนก็ต่างเคารพกฎหมายความสงบพร้มเย็นเป็นสุขก็จะมีขึ้นในชุมชนสังคมแต่ถ้าว่าไม่ชอบกฎหมายต่างคนก็ต่างไม่เคารพกติกาไม่เคารพกฎหมา ย, ไ ม, มายไม่ยึดกฎหมาย ใครจะทำอะไรทำตามอ ำ, อำเภอใจตามทำตามอัธยาใจไม่เคารพกฎหมายแล้วเป็นยังไงคิดดูให้ดีก็นแล้วกันหาความสงบพร้มเย็นเป็นสุขไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าไม่มีกฎไม่มีเกณฑ์ไม่มีกฎกติกาพระสงฆ์ไม่มีศีลคราวาดไม่เคารพกฎหมายก็ไปทํานองลักษณะเดียวกันนะั่นอันนี้คือการเป็นอยู่นะการเป็นอยู่ ที่เราเห็นเห็นแต่ว่าเรื่องนามาทํมแนวความคิดแนวความคิดเรื่องสติเรื่องปัญญาแต่ทางโลกของเขาประเทศชาติของเขาท่านสอนให้มีความคิดวิชาแพทย์วิชาหมอวิชากฎหมายวิชาคณิตศาสตร์วิชาต่างๆมากหลากหลายในวิชาอาชีพอันนั้นก็คือส่วนหนึ่ง คือกฎกติกาในส่วนหนึง่งคือวิชาอาชีพเ ป, เป็นเครื่องหาเลี้ยงชีพในส่วนหนึง่งแต่ในหลักำำรธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านให้มีกฎมีระเบียบเสร็จแล้วท่านให้ดูใจในะนะออใครข้าวให้ดูใจของตนเองให้ทำทำใจชำละใจดูใจกำหนดดูใจใจเราใจของเราคิดเรื่องอะไร คิดดีหรือคิดชั่วในเมื่อคิดดีการกระทำทางกายก็ดีพูดออกไปทางวาจาก็ดีเพวกคิดดีถ้า้ว่าวคิดเร็วคิดชั่วการกระทำออกไปก็ชั่วการพูดออกไปก็ชั่วจะทำยังไงอันนี้นะท่านให้ศึกษาเลยท่านนะี่ศึกษาแนวความคิดว่าทำยังไงจึงจะคิดดีมีกี่อย่างที่จะคิดดีนะันะ มีกี่อย่างท่านพระพุทธเจ้าสอนไว้ในพระไตรปิฎกเนะเป็นธรรมคาสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์สิ่งที่มันทําให้แต่บางครั้งเราก็จะจะคิดดีอยู่แต่มันก็คิดกลับเป็นคิดชั่วไปมันมีอะไรทําไมเป็นอย่างนั้นตัวเองทั้งที่อยากจะคิดดีแต่ทําไมมันกลับไปคิดชั่วขึ้นมานะพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านว่ากิเลส กิเลสจุนในใจมันพักดันพอเห็นอะไรขึ้นมาตาไปเห็นรูปหูได้ยินเสียงไม่พอใจมันสุดมันโมโหขึ้นมาฮะอันนั้นกิเลสภายในใจมันพักนันเพราะมันพักนอนมันก็พูดชั่วแต่ทำออกไปก็ทําชั่วเพราะมันคิดขึ้นมามันมันโมโหกิเลสมันดันอยู่ข้างในถ้าไปเห็นสิ่งที่สวยงามที่น่ารักน่าชอบใจ ทางตาไปเห็นหูได้ยินเสีย ง, งร้องรำทำเพลงเสียงเพราะตาก็เห็นก็สวยงามใจของเราก็เยิมคิดขึ้นมาอันนี้แล้วว่ากิเลสราคะอยู่ในใจของเรา น, ะนี่แหละสรุปแล้วก็คือมันเป็นสิ่งที่ผลักดันอยู่ในใจของเรามันมีอยู่ที่จะออกมาทางคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วคิดดีทำดีพูดดนะีมันอยู่มีอยู่ในใจเพราะนั้นท่านท่าน ท่านจึงให้มีสมาธิที่สมาธิทําใจให้มั่นคงการกรองไตรตรองในแนวความคิดของตนเอง เ, อเมื่อจิตใจสงบจิตใจนิ่งจิตใจอยู่กเท่แล้วก็ดูแล้วแตนอันไหนอันไหนดีอันไหนเล็วอันไหนคิดดีอันไหนมันจะไปทางดีแล้วไปจะไปทางเล็วมันจะมองเห็นได้นะแต่ถ้าว่าใจของเราไม่เป็นสมาธิใจโลนเลใจ ลกเล็กโลกเล็กอารมณ์โมโหโกธามีอะไรต่อไม่อะไรอยู่ในในตัวของเราเราจะมองไม่เห็นในสิ่งเหล่านั้นเพราะฉนั้นสิ่งเหล่านั้นส่วนลึกของใจแล้วมันมีอะไรพักดันออกมาสรุลแล้วก็คือความหลงเป็นพื้นฐานควิชาคือตัวไม่รู้เป็นพื้นฐานพอมีความหลงขึ้นมาถ้าไม่หลงก็ไม่โกรธ ถ้าไม่หลงก็ไม่โลภถ้าไม่หลงก็ไม่รักนะมันหลงซะก่อนเมื่จึงรักโลภโกรทหลงรนะักโลภโกรทนะเพราะในพวกเราศึกษาสรุปแล้วกคือให้มีการศึกษาให้การเรียนรู้ศึกษาเรื่องธรรมคาสอนของพุทธศาสนาถ้าตอนนี้ไปรับพรอนุโมทนาให้พร